ฝันล่วงหน้าต่อมาพระหลวงตาได้เมตตาเป็นการส่วนตัวนั่นคือดวงตาของพี่สาวที่มองไม่เห็นพระหลวงตามาเข้าฝันให้มองเห็นชัดเจนเพราะพี่สาวชอบทำบุญในฝันนั้นเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพร้อมยืนข้าวและกับข้าวให้ป้าทุ่นจานหนึ่งส่วนพี่สาวได้เพียงข้าวเปล่าป้าทุ่นเข้าใจความฝันทันที เมื่อพาพี่สาวไปทำเลเซอร์กลับมาก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมถือว่าโชคดีที่สุดเหตุการณ์ต่อมาไปทำเรื่องล่ารายชื่อที่ฝังฝันว่าหลวงตาให้นั้งสือเล่มใหญ่มาเล่มหนึ่งบนนั้งสือมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนอนอยู่ครูต่อมาก็ฉี่แสหนังสือวันรุ่งขึ้นท่านอาจารย์สาธิตสั่งให้ไปที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีนักเรียนมากมาย ได้มีโอกาสไปอธิบายและล่ารายชื่อผู้คนมาช่วยได้ทั้งหมดโดยใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไปช่วยต่อสู้ที่ปปชอตอนนี้เหนื่อยมากอ่อนเพลียมากรู้สึกจะเป็นลมหลายครั้งต้องใช้พลังงานอย่างมากมายที่จะอธิบายต่อบุคคลและประชาชนว่าเราจําเป็นจะต้องทำเช่นนั้นเพราะอะไรแต่โชคดีที่มีคนเห็นว่าคนแก่อย่างเราทาท่าจะเป็นลมเอาน้าหวานมาให้กิน จึงมีแรงขึ้นมาทำงานอีกครั้งผ้าป่าที่วัดถ้ำประทุนไปทำงานที่วัดถ้ำประทุนไม่มีที่พักเป็นสัด ส, ส่วน ต้องอาศัยนอนเอาง่ายๆตรงที่ว่างๆในห้องโถงเวลานั้นได้พบกับพระอาจารย์ทองปานซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งและได้ทำงานกับท่านเป็นทีมใหญ่ที่มีคนมากปัญหาก็มีมากเช่นกันท่านทองปานเตือนก่อนออกทำงานว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องอดทนอดกลั้นให้ได้นะแล้วก็มีเรื่องให้ต้องอดทนจริงๆ แต่ในที่สุดความตั้งใจอันดีของทุกคนก็สามารถแก้ปัญหาที่ดาน้าเข้ามามากมายได้เรียบร้อยลงได้ในงานนี้แจกต้นไม้มากพอสมควรและข่าวพระหลวงตามาได้ประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างกว้างขวางจนในวันงานมีผู้คนพากันมาจนล้นวัดรถติดไปทั่วบริเวณวัดถ้ำประทุนคนส่วนใหญ่ติดอยู่ข้างนอกเข้ามาถวายพระป่าไม่ทันเพราะผู้คนมากันมากมายจริงๆแต่ในที่สุด งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนได้เข้าถวายพราป่ากับหลวงตาและได้รับพรกันทั่วหน้าแม้จะต้องเข้าคิวร อ, อนานแค่ไหนก็ไม่มีใครบ่นเบื่อทุกคนยิ้มย้มแจ่มใสกับบุญที่ตั้งใจมาทำกันต่อมาพระอาจารย์ทองปานเตือนอีกว่าวันนี้ทาอะไรอย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆพอตกบ่ายเดินแจกพระปา่าข้ามถนนไปมาเกือบถูกรถชน ถ้าใจร้อนรีบข้ามถนนแล้วก็เสร็จแน่นอนจากที่ศีสะเกตที่วัดของพระอาจารย์ทองปานนั่นเองเป็นวัดเล็กๆปราทวนรับอาสาท่านว่าจะแจกผระป่าเองแล้วก็ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้ ชาวบ้านช่วยกันรับต้นพับป่าอย่างเต็มใจไม่มีใครปฏิเสธเลยโดยเฉพาะบึงบูบ้านหมากยางและหมู่บ้านรอบๆเพียงสาวันแจกได้ถึง7 8 0 0ต้นเรียกว่าแจกได้ทุกบ้านความจริงวันงานนั้นกำหนดไว้วันที่ 4-5 หพฤษภาคม2545หแต่ป้าท้วนก็เดินทางไปแจกต้นตั้งแต่ 13-14-15 หเมษายนซึ่งเป็นช่วงสงครานพอดี คนที่ไปทำงานกรุงเทพต่างกลับมาบ้านเพื่อทำบุญกันทุกบ้านจึงมีต้นพระป่าของตัวเองที่ติดเงินเต็มต้นป้าทวนคิดเช่นนี้จึงแจกต้นในช่วงสงกรานดูชาวบ้านตื่นเต้นยินดีกันมากที่ได้ทำบุญมาหาสงกรานกับพระหลวงตาซึ่งเขาได้ยินแต่เพียงชื่อเสียงของท่านมานานต่างพากันถามคนไปแจกต้นพระป่าว่าท่านจะมาจริงๆหรอปาทวนก็ตอบว่าจริงหลวงตาจะมาจริงๆ ทุกคนจะได้ถวายพระป่ากับท่านจริงๆการถวายพระป่าในวันนั้นมีนายอำเภอเป็นเจ้าภาพชาวบ้านพากันไปวัดเพื่อฟังเทศและถวายพระป่ากับพระหลวงตาเมื่อถึงเวลาเทศหลวงตาเทศถึงท่านอาจารย์ทองปานด้วยว่าการได้เห็นได้ทำบุญกับพระปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นบุญยิ่งงานนี้ได้ทองถึงสองกิโลเศษเศษและเงินเกือบ 50,000 บาท ผู้คนศรัทธาพระหลวงตามากพระหลวงตาก็รู้โดยยา น, นวิถีของท่านจึงเมตตาชาวบ้านเป็นพิเศษและพักค้างคืนที่วัดของหลวงพ่อทองปาน1คืนความจริงการทำงานนั้นมีอุปสรรคมากมายแต่ในที่สุดก็ผ่านไปได้ด้วยดีและงานสำเร็จในที่สุด ป่าที่โขงเจียมที่โขงเจียมประทวนบุกเข้าไปในแหล่งที่ประชาชนยากจนมากแทบจะไม่มีเงินทําบุญแต่ผู้คนกลับเต็มใจจะรับต้นพระป่ามากและถามผู้แจกว่ามีเงินเพียงนิดหน่อยจะถวายหลวงตาได้หรือไม่ผู้แจกก็ยืดอกขึ้นตอบด้วยความมั่นใจว่ามีแค่บาทเดียวพระหลวงตาก็รับ แต่ลักษณะบ้านในบริเวณนั้นแจกต้นพระป่าได้ยากนักเพราะค่อนข้างซับซ้อนโชคดีมีเด็กคนหนึ่งมาช่วยแจกพะบป่าอายุแค่ห6ขวบแต่รู้จักชาวบ้านและบ้านแถวๆนั้นทั้งหมดรวม20สิบหลังเด็กวิ่งแจกคนเดียวเดียวเดียวเรียบร้อยเลยพอถึงวันงานชาวบ้านปิดบ้านแหกันมาหมดต่างยกต้นพับป่าที่ติดเงินนิดๆห น, น่อยๆมากันเป็นแถว เห็นแล้วรู้สึกซาบซึ้งกับจิตใจของผู้คนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาจนบอกไม่ถูกงานนี้ได้เงินเป็นล้านทองอีกเป็นกิโลลองคิดดูสิว่าต้นพระป่าที่แต่ละต้นติดเงินนิดหน่อยจำนวนมากเท่าไหร่จึงจะรวมได้เป็นล้านที่โขงเจียมเนี่ยคนแจกพระป่าเดินจนลิ้นห้อยแต่พอถึงวันงาน มีผู้คนมากันมากมายจนเห็นแล้วได้แต่ปลื้มใจหายเหนื่อยพระหลวงตาก็เทศยกให้เป็นจังหวัดเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นงานระดับอำเภอแต่มีคนมาร่วมงานมืดฟ้ามัวดินยิ่งกว่างานระดับจังหวัดบางแห่งเสียอีกจากโขงเจียมประทวนก็พูดถึงเหตุการณ์ก่อนสึนามิเกิดวันนั้นหลังจากหายป่วยแล้วก็เดินทางไปบ้านตาดอยากเดินจงกรมแล้วก็ได้เดินตามที่ต้องการผลของการเดินจงกรมวันนั้น หลวงตาก็ให้รังวัลด้วยมือของท่านเองเป็นนมเปรี้ยวหนึ่งขวดต้องทีมนี้เท่านั้นหลังจากโขงเจียมก็ไปแจกต่อที่วัดหลวงปู่หลอดแถวแถวลาดพร้าวนี่เองพูดจัดงานนี้ต้องการคนแจกต้นงานที่โขงเจียม เพราะประทับใจที่สามารถแจกต้นได้มากและประชาสัมพันธ์งานได้เก่งจนผู้คนพากันมาทำบุญล้นหลามจึงติดต่อให้ป้าทวนมาร่วมแจกต้นที่งานนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าป้าทวนไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเต็มใจช่วยเต็มที่เลยงานหลวงปู่หลอดคนก็มากล้นหลามเช่นกันพระหลวงตาท่านเทศตั้งแต่ฝนตกจนฝนหยุดมีอยู่ครั้งหนึ่งป้าทวนจาไม่ได้ว่าไปแจกพระป่าที่ไหน แต่เดินแยกจากคณะเข้าไปในซอยลึกมากจําได้ว่าตอนเข้าไปเป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแต่กว่าจะกลับออกมาก็เป็นเวลาร่วมสองทุ่มตอนขากลับออกมานั้นรู้สึกเหนื่อยมากเท้าพองหมดเราต้องเดินนับส0บกิโลบางครั้งบางคราวถูกไล่เหมือนหมูเหมือนมาเลยทีเดียวขณะที่เดินไปบนไปกับตัวเองด้วยความเหนื่อยล้าและท้อถอย<ๆ>ก็ได้ยินเสียงในจิตบอกออกมาว่าพิกขาจา์ ก็นึกสงสัยว่าพิกขาจาร์แปลว่าอะไรจิตก็ตอบออกมาว่าหมายถึงผู้ขอไงละ่ะพอได้ยินคำตอบดังนั้นป้าท้วนก็ถึงบางอ้อและความรู้สึกต่อมาก็คือตัวเบาจิตเบาเดินออกมาจนถึงปากซอยได้อย่างไรไม่รู้ตัวแล้วก็เดินหารถพระป่าจนเจอทำงานต่อจนรุ่วงไปได้ด้วยดี